มาขึ้นสีหาวิกิลิตะนยะเลยสีหาวิกิลิตะนยะเสร็จแล้วค่อยติปุคละเ <c oughs> นติปกรณ์ข้อแปดสิบสองคาถาว่าวยากรเนสุหิเยกุสลากุสลากุศลและอกุศลธรรมที่กล่าว้ในวยากรณ์เป็นต้นนั้นที่สาภูตรธรรม เหล่านั้นเนี่ยนะเพ่งพิจารณาโดยสองประการคือสังกิเลสธรรมที่แล่นไปตามวัตตะคือโลกและโวทานธรรมที่คล้อยตามพระนิพพานอันปราศจากวัตตะคือโลกสังกิเลชื่อว่าวัตตะนิพพานชื่อว่าวิวัตะกรรมและกิเลสเป็นเหตุของสงสารหรือเป็นเหตุแห่งสงสารมาดูว่าการกล่าวธรรมะนี้ก็มีอยู่สองอย่างใช่มคือสังกิเลสกับโวทาน สังกิเลตคืออะไรคือธรรมที่แล่นไปตามวัตตะโวทานคือธรรมที่คล้อยตามวิวัตะคือพระนิพพานทัานสังกิเลตชื่อว่าวัตตะนิพพานชื่อว่าวิวัตะสาเหตุของวัตตะหรือต้นเหตุของวัตตะคืออะไรคือกรรมและกิเลตก ร, รมและกิเลตเป็นต้นเหตุแห่งวัตตะกรรมท่านแสดงว่าเป็นเจตนาและเจตสิก เจตนาและเจตสิกนั่นแหละคือตัวกรรมถามว่าเพิ่งทราบกรรมนั้นได้อย่างไรก็ทราบในขณะสังสมขณะที่ทํานั่นแหละจึงรู้ว่าเป็นกรรมขณะที่สังสมกรรมตัวกรรมนี่แหละเป็นเหตุของสังสารวัตรใช่ไหมกรรมมาพบกรรมเป็นเหตุแห่งชาติชาติเป็นเป็นเหตุแห่งชราและมรณะเป็นต้นพันกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่สังสม ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและกิเลสอนะ่ะกิเลสที่เป็นเหตุแห่งสงสารกิเลสทั้งปวงพึงแสดงด้วยวิปลาส4นะวิปลาสก็คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนความเห็นที่คลาดเคลื่อนความคิดที่คลาดเคลื่อนวิปริตนั่นแหละเรียกว่าวิปลาสพึงทราบวิปลาสเหล่านั้นในที่ไหนบอกว่าพึงทราบในกองแห่งธรรมะอะ่ขอไปในกองแห่งกิเลสอันมีวัตถุ10 เรียกว่าวัตถุที่เกิดของกิเลสเนี่ยสิบประการสิบประการเป็นไนะอาหารสวิปลาสสอุปาทาน4โยคะสี่คันทะสี่อสวาสโอคะสีสละสีวิญญาณทิติสและอาคติาคามณะสคเรียกว่าการถึงอาคติสเนี่ยนะ <c oughs> บอกว่าอาหารที่หนึ่งเป็นวิปลาสที่หนึ่งกับพลิงกระราหารเป็นสุภาพวิปลาสใช่ไหม วิปปล่าที่หนึ่งคือสุภาพวิปปล่าเป็นกามุปาทานกามุปาทานเป็นกามโยคะกามโยฆาเป็นอภิชากายคันธ์อภิชากายคันธะเป็นกามาสวะกามาสวะนั่นแหละเป็นกาโมฆะกาโมฆาเป็นราฆาสัละราคาสัละนั่นแหละเป็นวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปเป็นฉันทาคติอันนี้เป็นอุปกิเลส ข, ของ คนราคะจริตเนี่ยนะคนราคะจริต <c oughs> วิปปลาศที่หนึ่งนะเป็นอุปาทานที่หนึ่งวิปปลาศที่สองก็เป็นอุปาทานที่สองไงผัสอาหารที่สองเป็นวิปปลาศที่สองคืออะไรผัสอ า, าหารเป็นเป็นสุขาวิปปลาศมโนสัญเจตนาอาหารเป็นนิจาวิปปลาศวิญญาณอาหารเป็นอัตตาวิปปลาศ ทวอีกครั้งหนึ่งนะว่ากาผลิงกราหานเป็นสุภาพวิปลาสภาษาหานเป็นสุขวิปลาสมโนสันเจตนาหานเป็นนิจจวิปลาสวิญญาณหารเป็นอัตตวิปลาสสุภาพวิปาลาสนั่นแหลเป็นกาโมป่าทานสุขวิปลาสเป็นพ ว, นนวุป่าทานนิจจวิปลาสเป็นทิฏฐป่าทานอัตตวิปลาสเป็นอัตตวาทุป่าทาน การมูปาทานนั่นแหละเป็นกามโยคะภวุปาทานนั่นแหละเป็นภวะโยคะที่ถูกปาทานเป็นทิฏฐิโยคะอัตวาทุปาทานเป็นอวิชายาโยคะกามโยคะนั่นแหละเป็นอภิชากายขันธะภวะโยคะเป็นพยาปาทากายขันธะทิฏฐิโยคะเป็นศีลพัตตปรามาสกายขันธะอวิชายาโยคะเป็นอีทางสัจจาพินิเวสากายขันธะ อาพิชาการยันถานั่ยแหละเป็นกามาสวะพยาปาทกายยันถานั่นแหละเป็นภวาสวะศีรพธาปรามาสกายคันถานน เ, เป็นเทฐาสวะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันถาเป็นอวิชชาสวะกามาสวะนั่นแหละเป็นกามโยคะพวคะนั่นแหละเป็นพวาสวะเป็นพวคะเทฐาสวะเป็นเทเถโยคะอวิชชาสวะเป็น อวิชโชคะกาโมคะนั่นแหละเป็นราคะสัลระพวโคะนั่นแหละเป็นโทสะสัละทิศโคะนั่นแหละเป็นมานะสัละอวิชโชคะเป็นโมหะสัลระราคะสัละนั่นแหละเป็นวิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงรูปโทสะสัละเป็นวิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงเวทนามานะสัละเป็นวิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงสัญญา โมหะสันละก็เป็นวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปที่เข้าถึงสังขารวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปเป็นฉันทาคติวิญญาณทิติที่เข้าถึงเวทนาเป็นโทสาคติวิญญาณทิติที่เข้าถึงสัญญาเป็นพยาคติวิญญาณทิติที่เข้าถึงสังขารเป็นโมหคติเนี่ยนะปันพวกนี้เป็นทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากับผลิงกราหาน เป็นสุภาพวิปุราสุภาพวิปุราเป็นกามุปาทานกามุปาทานเป็นกามโยคะกามโยค่าเป็นอภิชากายคันธะอภิชากายคันธะเป็นกามาสวะกามาสวะเป็นกามโมคะกามโมค่าเป็นราคะสัลระราคะสัลระเป็นวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปเป็นฉันทคติอันนี้เป็นความเศร้าหมองของคนราคะจริต ชีวิตของคนราคะเจริตนี้เป็นอย่างนี้เป็นไปกับครับลิงกราหานสุภาพวิปลาสกามุปาทานกามโยค้าอภิชากายาคันถะกามาสวะกามโมค้าราคะสันลวิญ ญ, ญาณทิติที่เข้าถึงรูปและฉันถาคตินนะกิเลสเหล่านี้ก็ไหลไปอย่างสืบเนื่องตามแนวนี้ส่วนพวกโทสะจริตอุปกิเลสของพวกโทสะจริตก็มาจากไหนผัสสาหาน พวกนี้ก็มาจากสุขวิปปลาดพวุปาทานภวะโยคะพยาปาทากายคันธะภาวาสวะภาวคะโทสะสัลระวิญญาณทิติที่เข้าถึงเวทนาโทสาคติอันนี้เป็นอุปกิเลสของคนโทสะจริตมโนสันเจตนาหานเป็นเหตุแห่งนิจจวิปปลาดนิจจวิปปล่านั่นแหละพวกมโนสันเจตนาหานนิจจวิปปล่าที่ถูกปาทานทิ่ติโยคะ ศีลพตะปรามาสกายคันธะทิฏฐาสวทโะมานะสัลละวิญญาณทิติที่เข้าถึงสัญญาพยาคติอันนี้เป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏฐิจริตมันทะบุคคลคือเรียกว่ายางอ่อนนะนะพวกวิญญาณอาหารอัตตวิปลาดอัตวาทุปาทานอาวิชายโยะอิทางสัจจาพินิเวสกายคันธทอวิชชาสวอวิชโชขะโมหสัน ล, ละวิญญาณทิติที่เข้าถึงสังขาร โมหาคติอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสของบุคคลที่เป็นทิฏฐิจริตอุทธัตตบุคคลเรียกว่าอย่างกล้าอย่างแก่กล้าคือมาดูอธิบายนะเพิ่มเติมพิเศษในข้อ83ว่าบรรดาอาหาร4ประการเหล่านั้นกับพลิงกระหารและผัสสาหารเป็นอุปกิเลสของตันหาจริตบุคคล มโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารเป็นอุปกิเลสของทิฏฐิจริตบุคคลวิปลาสสี่ความเห็นวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามความเห็นวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอุปกิเลสของตันหาจริญบุคคลอันนี้เชื่อมจากบุคคลที่ผ่านมานะบุคคลที่ผ่านมามีอยู่กี่สองคนเท่านั้นคือตันหาจริตกับทิฏฐิจริญพันพวกกับพลิงกราหานกับผัสสาหานเป็นความเศร้าหมองของ ตันหาจริญบุคคลมโนสันเจตนาหารและวิญญาณนาหารเป็นความเศร้าหมองของทิฏฐิจริตบุคคลวิปลาสสี่เหล่านั้นเนี่ยนะวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามวิปลาสว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อันนี้เป็นความเศร้าหมองของตันหาจริตบุคคล วิปลาดว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงวิปลาดว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาเป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏจริตบุคคลอุปาทานสี่เหล่านั้นเนี่ยนะกามุปาทานกับภวุปาทานอันนี้เป็นอุปกิเลส ข, ของตันหาจริตบุคคลที่ถุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏจริตบุคคลโยคะสี่เนี่ยนะกามโยคะและภ ว, วโยคะเป็นอุปกเลส ข, ของ ตันหาจิติบุคคลทิฏฐโยคะและอวิชายาโยคะเป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏฐจิติบุคคลค <c oughs> ันธะสเหล่านั้นเนี่ยนะอภิชากายคันธะและพยาปาทกายคันธะเป็นอุปกิเลส ข, ของตันหาจริตบุคคลปรามาสะ น, นะศีลพัตรปรามาสกายคันธะกับอิทังสัจจาพินิเวสกายคันธะเป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏฐจริตบุคคล อาสวะสีเนี่ยนะกามาสวะและภวาสวะเป็นอุปกิเลสของตันหาจริตบุคคลที่ถาสวะและอวิชชาสวะเป็นอุปกิเลสของทิฐิจริตบุคคลโอฆ่าเหล่านั้นเนี่ยนะกาโมฆะกับพระโวฆะเป็นอุปกิเลสของตันหาจริตที่โธฆะกับวิโชฆะเป็นอุปกิเลสของทิฐิจริตบรรดาสาละสีเนี่ยนะราคะสาละโทสะสาละเป็นอุปกิเลสของ ตัหาจริตมานะสลละโมหะสลละเป็นอุปกเลสของทิฏฐิจริตวิญญาณทิติเนี่ยนะวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปและเวทนาเป็นอุปกเลสของตันหาจริตวิญญาณทิติที่เข้าถึงที่เกี่ยวกับสัญญาและสังขารเป็นอุปกิรลสของทิฏฐิจริตอาะนะอัคติขมณะการถึงอคติสีเนี่ยนะผู้ที่ถึงฉันทาคติกับโทสาคติเป็น อุปกิเลตของตันหาจริตพยาคติกับโมหาคติพวกนี้เป็นกิเลสองอุปกิเลตของทิฏฐิจริตทันท่าอีกในหนึ่งเนี่ยนะอีกในหนึ่งเนี่ยอาหารที่1ที่สองวิปลาสที่1นสองอุปาทานที่1นสองโยคะ1หสองคันทะที่1ที่สองอาสวะที่1ที่2โอคะที่1ที่สองสระที่1ที่2วิญญาณทิฏฐิที่1ที่สองอคติคมณะที่1ที่สองเนี่ยนะอันนี้เป็นอุปกิเลสของ ของใครพวกนี้เป็นอุปกิเลสของตัณหาจริตส่วนอาหารที่สมที่4ี่วิปลาสที่สามที่4ี่อุปาทานที่สามที่4โยคะที่สามที่4คันธะที่สาที่4อาสวะที่สามที่4โอคะที่สามที่4ี่สาระที่สามที่4วิญญาณติฏฐิที่สามที่4อัคติคัมะนะที่สามที่4อันนี้เป็นอุปกิเลสของใคร อนพวกนี้เป็นทิฏฐิจริตบุคคลบรรดากิเลสวัตถุเหล่านั้นเนี่ยนะกพลิงกระหานย่อมมีความเห็นวิปลาศว่างามในสิ่งที่ไม่งามภาษาหารย่อมมีความวิปลาศว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์วิญญาณอาหารย่อมวิปลาศว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงมโนสัญเจตนาหารเป็นความเห็นวิปลาศว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา วิปปลาธที่หนึ่งคือวิปปลาธที่หนึ่งสุภาพวิปปลาธย่อมยึดมั่นกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามุปาทานผู้ที่ตั้งในวิปปลาธที่สองคือสุขาวิปปลาธย่อมยึดมั่นในภพที่เป็นอนาคตนี้เรียกว่าภวุปาทานผู้ตั้งอยู่ในวิปปลาธที่สย่อมยึดมั่นทิฏนะพวกนิจจ์นิจจวิปปลาธย่อมยึดมั่นในทิฏที่ยินดีในสงสารพวกนี้เป็นที่ถูกปาทาน ผู้ตั้งอยู่ในวิปัาสที่สี่ย่อมยึดมั่นโดยกานกาดคาดคเนว่าเป็นอาัตตานี้ก็เป็นอั ต, ตาวาทุปาทาน น, นะพวกอัตราวิปัสสนัเนแหละกลายเป็นอั ต, ตาวาทุปาทานสัตว์โลกถูกผูกไว้กับกามทั้งหลายด้วยกามุ ป, ปาทานนี้เรียกว่ากามโยคะถูกผูกไว้กับภพบทั้งหลายด้วยภว ป, ปาทานเรียกว่า ภาวะโยคะผูกผูกไว้กับทิฐิอันชั่วด้วยทิฏฐุปาทานนี้เรียกว่าทิฏฐิโยคะถูกผูกไว้กับอวิชชาด้วยอัตวาทุปาทานนี้เรียกว่าอาวิชายาโยคะผู้ที่ตั้งอยู่ในโยคะที่หนึ่งถูกขูกรัดนามกายด้วยอภิชานี้เรียกว่าอภิชากายคันธะผู้ที่ตั้งอยู่ในโยคะที่สองย่อมขูกรัดนามกายด้วยพยาบาทนี้เรียกว่า พญาปาทกายคันธะผู้ตั้งอยู่ในโยคะที่ส 3, ย่อมผูกรัตนามกายด้วยปรามาสะนี่เรียกว่าปรามาสกายคันธะหรือศีลพัตตปรามาสกายคันธาเนี่ยนะผู้ที่ตั้งอยู่ในโยคะที่สี่ย่อมผูกผูกรัตนามกายด้วยอิทังสัจจาพินิเวสะนี่เรียกว่าอิทังสัจจาพินิเวสะกายคันธะกิเลสทั้งหลายที่ผูกรัตอย่างนี้ย่อมเป็นอาสวะ แก่บุคคลนั้นเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าอาสวะเพราะนอนเนื่องและปั่นป่วนอาสวะตรงนี้แปลว่านอนเนื่องกับปั่นป่วนเนี่ยนะในคันทะและอาสวะเหล่านั้นกามาสวะสําเร็จด้วยอภิชากายคันทะพวาสวะสําเร็จด้วย พ, พยาปาทกายคันทะทิฐาสวะสําเร็จด้วยปรามาสกายคันทะอวิชาสวะสําเร็จด้วยอิทังสัจยาพิเนเวสกายคันทะ อาสวะสี่เหล่านี้ย่อมแผ่ขยาย <c oughs> ย่อมกลายเป็นโอคะแก่บุคคลนั้นโอคะทั้งหลายย่อมถึงความแผ่ขยายเพราะอาสวะแผ่ขยายด้วยอาการอย่างนี้ในอาสวะและโอคะเหล่านั้นกามโมคะสำเร็จด้วยกามาสวะพะโควคะสำเร็จด้วยพวาสวะทิโควคะสำเร็จด้วยทิฐาสวะอวิชโชคะสำเร็จด้วยอวิชชาสวะ โอคาส4เหล่านี้เป็นไปพร้อมด้วยอนุสัยเข้าไปสู่ใจตั้งอยู่จดหทัยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัลละคือลูกศรโอคะและสัลละเหล่านั้นลูกศอนคือราคะสาเร็จด้วยกามโมคาลูกศอนคือโทสะสาเร็จด้วยพโวคะลูกศรคือมานะสาเร็จด้วยทิทโขคะลูกศรคือโมหะสาเร็จด้วยอวิชโชคะ วิญญาณทิติที่ถูกลูกสอนเหล่านี้นะลูกสอนสี่เหล่านี้ครอบงำย่อมตั้งอยู่ในธรรม4ี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแก่บุคคลนั้นในธรรมะเหล่านั้นที่ตั้งที่ตั้งแห่งวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับรูปย่อมมีด้วยวิญญาณที่มีการรสราดด้วยสปิติกะตันหาตันหาที่ประกอบกับปิตินั่นนะเพราะลูกสอนคือราคะ ที่ตั้งแห่งวิญญาณที่เกี่ยวกับเวทนาย่อมมีด้วยวิญญาณที่ย่อมมีด้วยวิญญาณที่มีการรดราดด้วยสับปีติกะตันหาเพราะลูกศรคือโทสะ ии, ที่ตั้งแห่งวิญญาณที่เกี่ยวกับสัญญาย่อมมีด้วยวิญญาณที่มีการรดราดด้วยสับปีติกะตันหาเพราะลูกศรคือมานะที่ตั้งแห่งวิญญาณที่เกี่ยวกับสังขาร ย่อมมีด้วยวิญญาณที่มีการรสราดด้วยสัพปีติกะตัณหาทีนี้พวกนี้เราเราเนี่ยนะอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงกันก่อนนะนะต่อไปว่าวิญญาณที่ได้รับการสนับสนุนจากวิญญาณทิติเหล่านี้ย่อมถึงอคติด้วยธรรมะสี่คือฉันทะนะฉันทากติใช่ไหมฉันทาก็คือความรักโทสะความกโกรธพยะความกลัวโมหะความเคาราแก่บุคคลนั้น อคติเหล่านั้นย่อมถึงฉันทาคติเพราะความรักถึงโทษาคติเพราะความโกรธถึงพยาคติเพราะความกลัวถึงโมหาคติเพราะความเขา่าเพราะเหตุนั้นแหลกรรมที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเจตนาเจตสิกนั้นด้วยกิเลสทั้งหลายที่มีวัตถุสิบเหล่านี้ด้วยกรรมและกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏกิเลสทั้งปวงพึงแสดงด้วยวิปัาสีโดยนิยัดังกล่าวมานี้ มาดูกล่าวรวมๆกันก่อนนะว่าทมเหล่านั้นเพิ่งทราบที่สาธรรม4เหล่านี้ที่สาที่หนึ่งคือกัปพลิงกระหานความเห็นวิปลาดว่างามในสิ่งที่ไม่งามกามุปาทานกามโยฆะอภิชากายคันทะกามาสวะกาโมคะราคะสลลวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับรูปการถึงฉันทาคติใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สาที่หนึ่งที่สาที่หนึ่งที่สาที่สองก็คือผัสสาหาน ความเห็นวิปลาดว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ภวุปาทานภวะโยคะพยาปาทกายคันทะภาวาสวะภโวคะโทสะสัละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับเวทนาการถึงโทสาคติที่สาที่สคือวิญญาณอาหารความเห็นวิปลาดว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ถุปาทานทิิโยคะปรามาสกายคันทะ ทิฏฐาสวะทิฏฐโยคะมานะสัน ล, ละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับสัญญาการถึงพยาคติที่สาที่สี่ก็คือมโนสันเจตนาหารความเห็นวิปลาฏว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอัตวาสุปาทานอวิชยาโยคะอีทางสัจจพินิเวสกายขันธะอวิชชาสวะอวิโชคคะโมหสั ล, ละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับสังขาร การถึงโมหะคติบรรดาอาหาร อ, นนาอาหารวิปลาสอุปาทานโยคะคันทะอาสวะโอคะโยคะสละวิญญาณทิติอคติคมนะเหล่านี้เนี่ยนะทั้ง10บเหล่านี้เนี่ยกับพลีกราหารความเห็นวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามกามุปาทานกามโยคะอภิชากายคันทะกามาสวะกามโมคะสละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับรูป การถึงฉันทากติมีอัดเหมือนกันต่างกันแต่พยัญชนะอันนี้เป็นอุปกิเลส ข, ของราคะจริตบุคคลในสูตรเหล่านั้นธรรมสิบไม่ว่าจะเป็นผัสสหานความเห็นว่าสุขในสิ่งที่เป็นุกข์พวุ ป, ปาทานพะวะโยคะพยาปาทากายคันทะพะวสวะพวคะ โ, โทสะสันละวิญ ญ, ญาณทิติที่เกี่ยวกับเวทนาการถึงโทสะคติมีอัดเหมือนกันต่างกันแต่เพียง พยัญชนะธรรมะเหล่านี้เป็นอุปกเณ์ของโทสะจริตบุคคลบรรดาสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะวิญญาณอาหารความเห็นว่าวิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ถูก ป, ป่าทานทิฏโยคะปรามาสกายคันธะทิถาศวะทิฏโยคะหรือว่าทิโถโขคะเนี่ยนะมานะสัญลวิญญาณทิฏฐิที่เกี่ยวกับสัญญา การถึงพยาคติมีอัตตะเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นธรรมะเหล่านี้เป็นอุปกิเลส ข, ของทิฏฐิจริตบุทิฏฐิจริตมันธบุคลคลเรียกว่าทิฏฐิจริตบุคคลผู้มีปัญญาน้อยส่วนมโนสันเจตนาหารความเห็นวิปลาดว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอัตวาทูปาทานอวิชายโยคะอีทางสัจจานิเวสกาญาคันทา อวิชชาสวะอวิชโชคะโมหสลละวิญญาณทิฏฐิที่เกี่ยวกับสังขารการถึงโมหาคติมีอัตตะเหมือนกันต่างการแต่พยัญชนะเท่านั้นธรรมะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสของทิฏฐิจริตอุทตะบุคคลคือทิฏฐิจริตบุคคลผู้มีปัญญามากลองมาทบทวน ย้อนกลับมาดูในข้อ83ทวนอีกครั้งหนึ่งนะข้อ83หน้า137พบทบทวนใหม่ว่ากับพลิงกระหานและผัสสาหานเป็นอุปกิเลสของตันหาจริตบุคคลคนที่ประพฤติอยู่ด้วยตันหาเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ตันหานำหน้าเนี่หาอะไรก็หาอาหารกับหาผสาัสสะนะนะ พวกที่หากับพลิงกระาหานก็คือสแสวงหามาพูตรูปใช่กับพลิงกระาหานแสวงหาภูตรูปเพราะว่ากับพลิงกระาหานนามาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่8หรือที่เรียกว่านํามาซึ่งอวินิโผครูป8ปส่วนภัสสะหานนามาซึ่งเวทนาภัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขก็เกิดความสุข ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็เกิดความทุกข์ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาก็เกิดอุเบกขาเพราะฉะนั้นตันหาจริตบุคคลพวกนี้ท่องเที่ยวอยู่ในกับพลิงกราหานและผัสสะหานสังเกตดูว่าของเราเนี่ยนะเป็นตันหาจริตหรือทิฏฐิจริตบุคคลก็สังเกตตรงนี้ว่าถ้าพวกตันหาจริตพวกนี้แสวงหาอาหารกับผัสสะส่วนทิฏฐิจริตคือพวกนี้แสวงหามโนสัญเจตนาหารกับ วิญญาณอาหารพวกนี้เป็นอุปเกเรตของทิฏจเรตเพราะว่าพวกทิฏจเรตบุคคลเนี่ยพวกนี้แสวงหามโนสัญเจตนาอาหารการทํากรรมทั้งหลายกับวิญญาณอาหารการรับรู้ทั้งหลายความคิดทั้งหลายพวกที่ให้ความสําคัญกับพวกมโนสัญเจตนาอาหารเจตนาให้ความสําคัญกับความคิดพวกนี้เป็นพวกทิฏจเิตบุคคลนะใครที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ทํากับความรู้สึกนึกคิด พวกที่ให้ความสําคัญกับความนึกคิดให้ความสําคัญกับการกระทำเนี่ยนะพวกนี้เป็นทิฏฐิจริตบุคคลสังเกตดูนะว่าเรากลุ่มไหนว่ากลุ่มตันหาจริตหรือทิฏฐิจริตก็ดูจากอาหารสี่ถ้าพวกชอบกับพลิงกระหานชอบภาษะก็ตันหาจริตแน่นอนละถ้าพวกทิฏฐิจริตก็ดูว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทํากรรมกับความคิดนนคงจะแยกออกนะ แต่ว่าโดยมากเป็นพวกตันหาจริตบุคคลน่นะแต่ก็มีคนกลุ่มน้อยที่เป็นทิฏฐิจริษพวกทิฏฐิจริตให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดมากนะนทั้งบุญทั้งบาปนะทั้งสายบุญสายบาปนะพวกทิฏฐิจริญเนี่ยนะจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าในโลกของนามธรรมเป็นส่วนใหญ่คิดง่ายๆว่าตันหาจริตให้ความสาคัญเกี่ยวกับรูปธรรมพวกทิฏฐิจริให้ความสาคัญกับ นามธรรมตันหาจิริทให้ความสําคัญว่ารูปคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพวกทิฏฐิจริทธบอกไม่ว่าความคิดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าคือการให้สาระเนี่ยแตกต่างกันพวกตันหาจิริทธให้ความสําคัญกับนามธรรมมากพวกทิฏฐิจริทให้ความสําคัญกับนามธรรมมากวันชีวิตของเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับนามธรรมมากหรือ โรคประทมากถ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารการเป็นอยู่การครองชีพพวกนี้แหละตันหาจริตถ้าพวกให้ความสำคัญเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรื่องความรู้ความนึกคิดมันคิดไม่เหมือนกันไม่ได้ทนไม่ได้พวกนี้พวกนี้เป็นกลุ่ม <c oughs> ทิ่เิจริตเนี่ยนะก็สังเกตดูทีนี้วัดที่วิปลาสก็ได้ว่าให้ความสำคัญกับความสวยความงาม ให้ความสำคัญกับความสุขพวกนี้เป็นพวกตันหาจริตบุคคลอะไเนี้เป็นการศึกษาจริตคร่าวๆก่อนนะว่าถ้าเราเป็นกลุ่มตันหาจริตพวกนี้จะให้ความสำคัญกับความงามให้ความสำคัญกับความสุขพวกนี้จ ะ, สะแสวงหาคือกับพลีงกระาหานเนี่ยมันใ ห, ให้ให้ความงามใช่ไหมผัสสาหานี่ให้ความสุขพวกนี้ก็จ ะ, สะแสวงหากับพลีกราหานแสวงหาผัสสาหานเพื่อส่งเสริม กับพลิงกราหานส่งเสริมอะไรกับพลิงกราหานก็ส่งเสริมสุขพระวิปลาผสผัสสารก็ส่งเสริมสุขวิปลาสทั้นพวกตันหาจริตนี้สแสวงหากับพลิงกราหานเพื่อความงามสแสวงหาผัสส า, ารเพื่อความสุข